บัดนี้จกแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้น ก, ก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจ นอบน้อมนมัสการพระภูมิพระาพาทรอรหันตะสมมาสมุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พรอมทั้งกระธ ร, รมและพระสงค์เป็นสรนัตตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีล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 พระสูตรที่ว่าในการสำรวมคือป้องกันระวังตลอดขนอาสะวะทั้งปวงนำสติประทาพระบรมศ า, ศาสดา ได้ตรัสสอนให้ละอาสวะด้วยวิธีต่างๆคือด้วยวิธีทัศนะคือปัญญาที่รู้เห็นด้วยวิธีสำรวมอินทรีย์อันเรียกว่าอินทรียสังวร โดยวิธีเศษบริโภคปัจจัยสี่ด้วยการพิจารณาโดยวิธีรับไว้อยู่ยับยังไว้อยู่คือชายันติ อดทนอดกลั้นด้วยวิธีเว้นด้วยวิธีบรรเทาตามที่ได้แสดงอธิบายมาโดยลำดับนับได้หกวิธี และได้จัดอีกวิธีหนึ่งอันวิธีที่เคารพเจ็ดและเป็นวิธีในพระสูตรนี้ก็คือด้วยวิธีปฏิบัติอบรมอันเรียกว่าภาวนาคำว่าภาวนานี้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 และในพระสูตรนี้ได้ตรัส ย, ยกเอาโพจน์สงเจดขึ้นมาว่าให้ปฏิบัติอบรมโพจน์สงเจโพจน์นั่นแปลว่าองค์แห่งความกรัตสรู เรียกว่าสัมโพธชงก็ได้ก็แปลว่าองค์แห่งความรัศดรพร้อมองก็คือองค์ขคุณหรือองค์คสมบัติแห่งความรัศดร คือนำให้มังเกิดความสัสโรมีเจ็ดองค์ ค, งง ค, ค, คือสติสัมโพชงองค์แห่งความสัสโรคือสติ ธรรมวิจยะสัมโพชฌ ง, งค์องแห่งความต ร, รัสรู้คือความเลือกเว้นธรรมเวริยะสัมโพชฌ ง, งค์องแห่งความรู้คือความเพียรปิติสัมโพชฌ ง, งค์องแห่งความรู้คือปิติ ความอิ่มใจความดุดื่มใจปัสจัธิสัมโพชฌงองแห่งความรู้คือปัสจัธิความสงบสมาธิสัมโพชฌงองแห่งความรู้คือสมาธิอุเบกขาสัมโพชฌง องแห่งความรู้คือความเข้าไปเพ่งรวมเป็นโพดชงเจ็ดประการหรือว่าเจ็ดองโพดชงเจ็ดนี้ เป็นหมวดธรรมะสำคัญทางปฏิบัติหมวดหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้รัดรแสดงรวมไว้ในหมวดธรรมสำคัญหลายหมวด เช่นในหมวดโพธิปัิยธรรมสามิเจ็ดประการก็มีพุทธชงเจ็ดี้รวมอยู่ด้วยหมวดหนึ่งในมหาสติปัฏฐานสูตรซึ่งแสดงเป็นหลักปฏิบัติในที่นี้ เป็นประจำมาทุกปีก็มีพจนชงรวมอยู่ด้วยหมดหนึ่งและที่จัดแสดงเนื่องเป็นสายเดียวกับสติปฐานก็มี คือการแส ด, แดงสติ ป, ปัฏฐาน 4, สี่โพชงสืบไปถึงวิชาวิมุตในที่สุดและที่จัดแส ด, แดงไว้กันเพาะโพชงเจ็ดนี้เพียงหมดเดียวก็มีเป็นอันมาก เมื่อรัดแสดงรวมอยู่ในหมวดใหญ่ก็มักจะต่อสืบเรื่องมาจากสติปัฏฐานสี่ซึ่งบ่งความว่าปฏิบัติในสติปัฏฐานมาก่อนจึงมาถึงพจน์ง แต่แม้ว่าจะตัดแสดงไว้หมดเดียวคือเฉพาะพอพดชงเท่านั้นพอดชงข้อแรกก็นำด้วยสติคือสติสำพดชงฉะนั้นแม้ในหมวดพอดชงนี้เองก็เริ่มด้วยสติ ในที่ที่ปรัดรวมไว้ในธรรมะหลายหมดสืบเรื่องจากสติปัฏฐานสีน่นี้ก็บ่งว่าการปฏิบัติในสติปัฏฐานย่อมมาก่อนจึงถึงโพชฌงละ ที่จะแสดงไว้จะพาะหมดพูดชงเท่านั้นก็เริ่มดูสติแต่ใช้คำว่าสติเป็นคำกลางๆกง็อาจรวมสติปัฏฐานทั้งสี่นี้เขา้าด้วยได้ว่าเริ่มดูสติปัฏฐานสี่หรือแม้ว่าจะเริ่มดูสติ ที่ไม่นับเป็นสี่ข้ออย่างสติตประธานสี่ก็ได้ดังที่ได้กลัดตัวแดงไว้ในการที่ทรงอธิบายพดชงเจ็ดที่ยกขึ้นมาเพียงหมดเดียว ใช้ในการฟังธรรมกล่าวคือในการฟังธรรมนั้นก็ใช้วิธีปฏิบัติทางพจนชงนี่ได้ด้วยคือตรัสแสดงไว้โดยความว่า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 ความระลึกได้ความกําหนดได้และก็วิจัยคือเลือกเป็นธรรมวิจัยคือเลือกเป็นธรรมที่สติระลึกได้นั้น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 เพียงปฏิบัติอบรมกุศลให้มังเกิดขึ้นดังนี้ก็จะได้ปิติคือความอิ่มใจความอบอิ่มใจความดูดดืมใจในกุศลในธรรมะที่ไม่มีโทษ ในธรรมะที่ขาวสะอาดที่ได้อบรมปฏิบัติให้มีขึ้นก็เป็นปีติสัมโพชงองแห่งความรู้คือปีติเมื่อได้ปีติก็ย่อมจะได้ความสงบกายความสงบใจ ก็เป็นปัจสทธิสมโพธิชงองค์เห็นความรู้คือปัสสธิความสงบกายความสงบใจและเมื่อกายและใจสงบมีสุขก็ย่อมจัดตั้งจิตเป็นสมาธิได้จิต มันเป็นสมาธิรวมอยู่ในอารมณ์อ e ันเดียวสงบจิตจากกามและอกุศลธระมทั้งหลายก็เป็นสมาธิสัมโพชฌงองแห่งความรู้คือสมาธิ เมื่อจิตตั้งมันเป็นสมาธิความเข่งดูสมาธิจิตสงบอยู่ก็เป็นอุเบกขาำํำโพชงองเห็นความรู้คืออุเบกขาความเข่งจิตที่เป็นสมาธินี้สงบอยู่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 อบรมก็ดีหรือแม้อ่านหนังสือธรรมะก็ใช้พอทชงนี้มาฟังมาอ่านได้คือว่าฟังหรืออ่านดโดยพอทชงทั้งเจ็ดประการนี้ดังที่พระพุทธเจ้าได้ลกลับอธิบายไว้ เริ่มด้วยการฟังธรรมก็ฟัง้วยพดชงด้งเจตประการดังนี้และนอกจากนี้นพรุบรมศาสดายังได้ทรงแสดงการใช้พชชงปฏิบัติในกรรมฐานต่างๆเป็นอันมาก ดังเช่นดยการสอนไว้ในการเจริญพโมบีหารทั้งสี่ปการคือแผ่จิตออกไปด้วยเมตตาด้วยการุณาด้วยมุทิตาด้วยอุเบกขาก็ ปฏิบัติด้ดยพอดชงก็คือปฏิบัติพอดชงทั้งเจตการนี้เองประกอบด้วยเมตตาประกอบด้วยจรุณาประกอบด้วยมุทิตาประกอบด้วยอุเบกขาดังเช่นเมื่อจังกิตแผ่เมตตาออกไปใน ตัดทั้งหลายวาสบเบสตาตัดทั้งหลายทั้งปวงสุกิตาคหนตุจงมนุถึงความสุขเกิดดังนี้ในทิศเบื้องหน้าในทิศเบื้องขวาง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 ดูสติที่ระลึกไปดังนี้ระลึกถึงสัตว์ทั้งปวงและระลึกแผ่จิ ต, ต่อกไปด้วยเมตตาว่าให้มีความสุขระลึกไปถึงทิศทั้งหลายดังที่กล่าวมานั้น คือแร่ออกไปในทิศทั้งหลายดังที่กล่าวมานั้นดังนี้เป็นสติท้งนั้นก็ต้องใช้สติในการปฏิบัติแผ่เมตตาจิตและก็ใชวิจัยคือจาแนกธรรมะกล่าวคือเมื่อ แค่ไปมีสัตว์ทั้งหลายเป็นอารมณ์ก็รู้ว่านี่แค่ไปมีสัตว์ทั้งหลายเป็นอารมณ์แหละเงบแค่ไปในทิศใดทิศหนึ่งก็รู้ว่าแค่ไปในทิศนั้นทิศนี้จำแนกทิศได้ถูกต้อง ว่าเบื้องหน้าเบื้งขวางเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนเบื้องล่างและเบื้องขวางโดยรอบจำแนกทิศได้ถูกถ้าไม่มีวิจัยคือจำแนกลงนี้ก็แจกคิดไม่ถูกสับสนหมดแต่ที่แจกได้ดังนี้ก็เพราะว่าจำแนกทิศได้ถูกต้องอันหนึง่ง และเมื่อจิตมีเมตตาก็รู้ว่าจิตมีเมตตาหากมีปฏิฆพยาบาทพุขึ้นมาในขณะที่แผ่เมตตาก็รู้ว่ามีปฏิฆพยาบาทพุทขึ้นมาในจิตหรือเมื่อราคะพุขึ้นมาก็รู้ว่าราคะพุขึ้นในจิต หรือเมื่อความพุ่งซ่านไปอย่างอื่นถึงเรื่องโน้นเรื่องนี้แทรกเข้ามาก็รู้ว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้แทรกเข้ามาหรือเมื่อง่วงก็กําหนดให้รู้จักว่านี่ง่วงแทรกเข้ามาสงสัยเครื่องแฝงอะไรโผล่เขาก็รู้ว่านี่สงสัยเครื่องแฝงอะไรโผขึ้นมาก็กําหนดให้รู้จักว่า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 และปฏิบัติเพิ่มเติมขึ้นก็เป็นวิริยะสำโปรดชมและเมื่อเป็นดังนี้จิตก็จะตั้งมั่นอยู่ในเมตตามากขึ้นบรรดาอากุศลจิตที่โผขึ้นมาต่างๆอันประกอบด้วยราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างก็จะสงบลงไป เมื่อเป็นดังนี้จิตก็สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นเต็มไปด้วกุศลมากขึ้นปีติก็มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเองเป็นความอิ่มใจเป็นความอิ่มเอิบในธรรมในกุศลก็เป็นปีติสัมโพชฌงและเมื่อเป็นปีติสัมโพชฌงกายใจก็สงบเป็นปัจจิติสัมโพชฌง เกศก็ตั้งมันเป็นสมาธิมากขึ้นในเมตตาที่แผ่ออกไปนั้นเป็นอุปจารสมาธิสมาธิที่เกศเกศจนถึงเป็นอัปปนาสมาธิสมาธิที่แนบแนบก็เป็นสมาธิสัมโพชฌงก็เข้าไปเพ่งดูจิตที่เป็นสมาธินี้ให้รู้จักจิตที่เป็นสมาธินี้สงบอยู่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 และเมื่อมีอุเบกขาอยู่มากพอเพียงที่รักษาเอากับคตาจิตคือจิตที่มีอารมณ์เป็นอันเดียวไว้ในมกักก็เป็นอปปนาที่แนบแน่นอยู่ได้นานเพราะฉะนั้นอุเบกขาจึงมักแสดงรวมอยู่ในข้อสมาธิแต่ในที่นี้แยกออกมาเพื่อที่ว่าเมื่อไดสมาธิจิตรวมเข้ามาแล้ว จะต้องได้อุเบกขาคือความเข้าไปเพ่งสงบอยู่คือรูจิตที่เป็นสมาธินี้ดูจิตที่เป็นสมาธินี้เห็นจิตที่เป็นสมาธินี้สงบอยู่ด้วยสมาธิจึงจะเป็นอัปปนาคือแนบแน่นแน่วแน่และแนบแน่นแน่วแน่อยู่ได้นานดังนี้ก็เป็นอุเบกขาสัโพชงเพราะฉะนั้นแม้ในการปฏิบัต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 ให้ประกอบด้วยโพดชงทั้งเจ็ดนี้หรือว่ากล่าวอีกอย่างหนึ่งรัดยกเอาโพดชงทั้งเจ็ดนี้เป็นที่ตั้งว่าปฏิบัติอบรมโพดชงทั้งเจ็ดประการนี้ให้ประกอบด้วยกรรมาฐานได้ทุกข้อดังเช่นหมวดพรมวิหารสีดังที่กล่าวมาและ ในหมวดอื่นเช่นในกาสินสิบในอุสสุภสสิบในอนุสติกสิบเหล่านี้ก็จะตรัสสอนเอาไว้ให้อบรมปฏิบัติโพชงทั้งเจ็ดให้ประกอบด้วยกรรมฐานเหล่านี้หรือเร่าอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการปฏิบัติกรรมฐานเหล่านี้ทุกข้อก็ให้ปฏิบัติในทางของโพชง ทั้งเจ็ดดังที่กล่าวมาและแม้ในโมดสติปฐานที่ได้แสดงมาแล้วตามหลักธรรมะที่จัดไว้ในมหาสติปฐา น, นสุดการที่จะปฏิบัติทำอานาปานสติสติกำหนดลมให้ใจเข้าออก การทาสติในอิริยาบทหรือสัมปชัญญะในอิริยาบททั้งสี่ในอิริยาบทที่ปริกย่อยออกไปจำแนกละเอียดออกไปในการพิจารณากายนี้ มาประกอบด้วยอาการทั้งหลายสามสิบเอ็ดหรือสามสิบสองล้วนไม่สะอาดล้วนเป็นของปฏิกูลการกำหนดพิจารณาธาตทั้งสี่และการกำหนดพิจารณาปาชาทั้งเก้า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 ทาบศพที่เป็นโครงราบกระดูกยังเปื้อนเลือดเปื้อนเนื้อประกอบด้วยเนื้อเส้นเอ็นริ้งรัดและทราบศพที่ไม่มีเนื้อแต่ยังมีเส้นเอ็นรึงรัดและทราบศพที่ไม่มีเส้นเอ็นดึงรัดเป็นโครงราบกระดูก จึงกระจุยกระจายไปในทิศทั้งหลายกระดูกศีรษะก็ไปทางหนึ่งกระดูกคอกระดูกแขนกระดูกขาก็ไปทางหนึ่งเหล่านี้เป็นต้นซากศบที่เป็นกระดูกมีสีขาวเหมือนด่างสังซากศพที่เกินปีหนึ่งแยกกันอยู่เป็นกองกอง ตลอดจนถึงทราบสบที่ผุเป็นทุ้ยผมอันแสดงถึงว่ากายอันนี้นั่นเมื่ อ, อยังดำรงชีวิตอยู่ก็เป็นกายที่หายใจเข้าหายใจออกถัดเปลี่ยนอียาบททั้งสี่ได้ถัดเปลี่ยนอียาบทเล็กน้อยทั้งหลายที่จาแนกออกไปอย่างละเอียดได้ ประกอบโดยอาการ 31, 3.1 3.2 ซึ่งต่างก็มีอาการคือการปฏิบัติหน้าที่ของตอนของตอนรวมเข้าก่าเป็นธาตุสี่คือธาตุดินธาตุน้นำธาตุไฟธาตุลมหรือเกิดอากาศจะธาตุเป็นธาตุากลกายที่มีชีวิตอยู่จึงเป็นดังนี้แต่ว่าเมื่อธาตุทั้งหลายแตกสลาย กายนี้ก็กลายเป็นศพและเมื่อเป็นศพแล้วก็เป็นอันวันหยุดหายใจการที่จะทัดเปลียนียาบททั้งองค์ก็เป็นไปไม่ได้และอาการสามสิบเอ็ดสามสิบสองก็หยุดการทํางานการทําหน้าที่ธาดทั้งสี่นั้นก็กระจากระจายไปในที่แรกก็ยังรวมกันอยู่เป็นศพ หมือนยังศพที่ตายใหม่ๆและเมื่อทิ้งเอาไว้ไม่จัดไม่ทําในป่าช้าก็จะถูกสัตว์ท่างหลายกัดกินหรือว่าเน่าเปื่อยไปเองก็จะเหลือแต่โครงร่างกระดูกทีท่ีแรกก็ยังมีเลือดมีเนื้อและมีเส้นเอ็นหนึ่งรัตต่อไปเลือดเนื้อก็จะหมดไปยังมีเส้นเอ็นหนึ่งรัตร่างกระดูกก็ยังรวมกันโย แต่การเป็นเอ็นที่ยึดรัดนั้นไม่มีเสีย อ, อีกแล้วกระดูกที่รวมเป็นร่างอยู่ก็จะกระจัด ก, กระจายไปคนอาทิตย์คนล ท, ทางก็เป็นกระดูกที่เป็นสีขาวเกินกลมอยู่แล้วก็จะเป็นกองเล็กกองน้อยจนถึงผุพ่นไปในที่สุดเหล่านี้ก็เป็นอันว่ากายของทุกๆคนนี้ทีแรกก็ไม่มี แต่เมื่อมีขึ้นมาด้วยชาติคือความเกิดก็ต้องประกอบด้วยชราความแก่มรณะความตายในที่สุดแล้วก็กลับไม่มีเหมือนอย่างที่เคยไม่มีมาก่อนดังนี้ก็เป็นการขับสอนในพิ จ, จรารณาเป็นสติที่เป็นไปในกายอันเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานและในการปฏิบัติ กายานุปัสนาสติปัฏฐานนี้ก็ปฏิบัติทางพุทโธได้ด้วยสติที่เละึกไปดังกล่าวมานี้ก็เป็นสติสมพุทชงแล้วก็มีธรรมวิจัยสมพุทชงวิจัยกายนี้เองตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้และตามที่เป็นไปจริงเราก็ตรัสสอนไว้ที่เข้ามาทั้งสัจจะคือความจริง อันมีอยู่ที่ร่างกายของทุกๆคนนี้เองแล้วก็ตรวจดูจิตใจเมื่อจิตใจอันนี้มีสติที่ตั้งมัน่นที่ลึกอยู่และมีความรู้รวมอยู่เป็นจิตใจที่สงบประกอบด้วยสติโดยปัญญาสติปัญญานี้ก็เป็นกุศลธรรมหากมีดีวอนขอดโผล่ขึ้นมาก็รู้ว่าเป็นอกุศลธรรมต้องวิจัยจิตข้นตัวเองให้รู้ดังนี้ แลว้วก็ใช้วิริยะคือความเปลี่ยนและกุศลธรรมที่บังเกิดขึ้นอันใดที่เป็นกุศลธรรมเป็นตัวสติเป็นตัปัญญาก็รักษาไว้เมื่อเป็นดังนี้แล้วก็จะได้ปีติได้ปัสจุบันได้สมาธิได้อุเบกขาในการปฏิบัติกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนี้มากขึ้นมากขึ้นโดยลํำดับดังนี้ก็เป็นการปฏิบัติสติปัฏฐาน อาศัยโพดชงทั้งเจ็ดนี้หรือปฏิบัติในโพดชงทั้งเจ็ดนี้ประกอบด้วยสติปัฏฐานข้อกายไในทุกๆข้อดังที่กล่าวมานั้นดังนี้คือการปฏิบัติอบรมโพดชงซึ่งพระพุทธเจ้ากลัาว่าเป็นวิธีละอาสวะอีกข้อหนึ่งอันเป็นข้อสุดท้ายแล้วก็เป็นข้อครบทั้งหมดซึ่งปฏิบัติทุก ข, ข้อที่กล่าวมาข้างต้นนั้น เพก็ใช้วิธีพดชงทั้งเจ็ดนี้ปฏิบัติได้ดังที่จัดสอนไว้เพราะฉะนั้นวีละอาสวะที่ระพุทธเจา้าจตจัดสังสอนไว้นี้จึงเป็นวิธีที่เป็นประโยชน์สําหรับภู้มุ่งปฏิบัติธรรมทั้งปวงซึ่งจะพึงใช้ได้ตั้งแต่ในขั้นปฏิบัติเบื้องต้นจนถึงที่สุดซึ่งระพุทธเจ้ากล่าวว่าก็จะประสบความสําเร็จในการสังวร คือป้องกันกำจัดละอาสวะทั้งปวงได้ต่อไปนี้